คนมโนนาสาุการในท่านสถุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องทุติยสูตรในเวลาหักวักคือวักที่ว่าด้วยน้ำฝนด้พบพประสูตรเป็นอันมากที่พระเจ้าทรงใช้สิ่งต่างๆรอบตัวคน เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะและเป็นการสอนทั้งทุกกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติธรรมดาจเจาใบไม้ใบเดียวขึ้นมาสอนเป็นอุทาหอเตือนใจคนตรหนักถึงธรรมชาติของชีวิต ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปแปรปรวนแล้วก็แตกลับไปบางครั้งพูดถึงเรื่องความดีความชั่วเรี่องสายธรรมชาติเหล่านั้นเรื่องการให้ผลของธรรมชาติและการไม่ให้ผลของธรรมชาติในประสูนรนี้เป็นการนำเ อ, อฝน ซก็ที่จริงก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ทรงแสดงฝนไว้ในสี่ประเภทด้วยกันพูดเป็นไทยง่ายๆนะฮะเราฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกประเภทหนึ่งประเภทที่สองฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตกประเภทที่สาม เอาฟ้าก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกประเภทที่สี่ทั้งฟ้าร้องทั้งฝนซึ่งเราจะเห็นว่าในแนวสีอย่างเงี้ยจะใช้ในเรื่องอื่นอีกเป็นนั้นมากเช่นพูดถึงวิถีชีวิตของคนในโลกเป็นสีประเภทอีกแนวหนึ่ง พูดถึงมืดมาแล้วมืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วสว่างมาสว่างไปพูดถึงการทำบุญของคนก็แยกเป็นสี่ประเภทการให้ทานบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทา ย, ยกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกคือทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ไม่ได้เลือกทั้งคู่การให้บางอย่างนั้นบริสุทธ์ฝ่ายผู้รับแต่ว่าผู้ให้ไม่บริสุทธ บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ผู้รับไม่บริสุทธิ์บางอย่างก็บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการให้ในสายนี้บางครั้งอาจจะพูดถึงแม่น้ําน้ําตื้นเงาตื้นน้ําตื้นเงาลึกน้ําลึกเงาตื้นน้ําลึกเงาลึ ก, าลกบางทีอาจจะพูดถึงมะม่วง มะม่วงข้างนอกดิบข้างในดิบข้างนอกสุกข้างในดิบข้างนอกสุกเอ่อข้างข้างนอกดิบข้างในสุกข้างนอกสุกข้างนอกอ่าข้างในสุกคือสรุปว่าจะแยกเป็นสี่ในแนวนี้แล้วโครงสร้างสี่แนวเนี้ยที่เรามาใช้ในปัจจุบันแล้วก็ปรับไปจากโครงสร้างตรงนี้เช่นเราพูดถึงว่าคนบางคนไม่รู้ไม่ชี้บางคนรู้แต่ไม่ชี้ บางคนไม่รู้แต่ชี้บางคนรู้ด้วยแล้วก็ชี้ด้วยก็ี้เห็นว่าจะมีอยู่สี่อย่างเนี้ยแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรได้อีกเยอะหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเราสามารถจะมองไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏได้อีกสามชุดด้วยกันอาจจะเริ่มที่จุดไหนก่อนก็ได้แล้วเราก็คิดต่อไปได้อีกสี่เรื่องก็ทําให้ความคิด ประมาณของคนกว้างขวางออกไปจำนวนปัจจุบันเขาว่าวิสัยทัศน์มันกว้างขวางออกไปแื่แทนที่จะมองแล้วก็ตัดสินเฉพาะตรงนั้นที่จริงอาจจะตรงอื่นก็ได้อาจจะมีอีกสามอย่างก็ได้หรือแม้แต่เรามาพูดถึงเรื่องความหวัง สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นั้นบางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังบางทีก็ได้สักครึ่งสักกึงหนึ่งบางทีก็ได้เกินที่หวังเองไหมก็แบ่งออกเป็นสี่เพราะในแนวแนวสีจ่จึงเป็นการสอนให้เอาอะไรกันตา่างมาเป็นเครื่องมือในการคิดแล้วก็อย่าไปยุติลงที่ใดที่หนึ่งมันจะมีอีกหลายอย่าง เมื่อเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่มองโลกในแนวประมาทบางทีก็ซ้ำเติมตัวเองเกินไปกลายกับความทุกข์ทั้งหลายในโลกนั้นมาตกอยู่ที่เราคนเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่คนอื่นก็ทุกข์กว่าเราแยกไปในแนวตรงนี้บางทีนี่ยมองเรื่องเดียวกัน แต่หมายความยังมีอะไรแรงกว่าเราได้ดีแล้วก็มองคนอื่นติดได้ดีกว่าเราเดือดร้อนมันก็ ม, ม, มีมองคนอื่นแล้วก็เดือดร้อนกว่าคือแต่ที่จะมองจุดใดจุดหนึ่งวันก่อนนี้ได้ข่าวคุณแก้วพอสัมภาษณ์แก้วขวัญก็สัมภาษณ์ว่านั่งรถไปกับสมเด็จญาสมเด็จราชีดูคนขี่จั ก, กรยาน บอกว่าที่จริงคนขี่จั ก, กรยานมันก็ไปเร็วกว่าคนเดินนะแต่ถ้ามีรถเล็กๆสักคันมันก็ไปได้เร็วกว่าจั ก, กรยานแต่ถ้ารถใหญ่มันก็ไปได้เร็วกว่ารถเล็กมนุษย์คนเราเนี่ยที่จริงถ้าตับใจยินดีในสถานะของเราเองโดยไม่ได้คิดแข่งกับคนอื่นทั้งหมด เราก็สามารถจะหาความสุขได้หาความสงบได้ในขณะที่เราเดินไปเราอาจจะรู้สึกว่าชา้าแต่อย่าลืมว่าในโลกนี้มีคนเดินไม่ได้เลยเห็นไหมมันมีแนวคิดที่ช่วยในการคิดด้วยจากการอ่านนานประชประวัติือพบว่าจะเน้นเรื่องลิสยานี้มากคือพยายามให้สติตักเตือนคนทั้งหลายใหญ่ลิสยากัน ทันใจเช่นชมยินดีในความเจริญข้าวหน้าของบุคคลอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ถอดถอยในการที่จะพัฒนาตัวเองเสริมสร้างสถานะของตัวเองก็ เ, เป็นลีดาชีวิตเป็นคติชีวิตที่มองโลกในมุมกว้างไม่ได้มองโลกในจุดใดจุดหนึ่งคือเข้าไปจุดอับเพราะแนวตรงนี้เป็นการมองในแนวการศึกษากับการปฏิบัติ แล้วก็มองคล้ายๆกับมองดอกไม้นะฮะที่พระเจ้าทงใชยดอกไม้ว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยรูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมบางชนิดรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมบางชนิดรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางชนิดรูปสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยเห็ุนั้นจะใช้สูตรสี่นี่ตลอดเพราะสูตรสี่นิยมสามารถจะคิดอะไรก็ได้คิดสี่ทุกทีเลยคิดได้ได้สี่ทุกทีแต่หมายความมาคิดสี่เนี่ยมันต้องมีสองกลุ่มยังจะคิดเป็นสี่ได้นะถ้ากลุ่มเดียวคิดได้แค่สองเท่านั้นเอง นะเห็นงกับตัวพูดพูดคนนี่มันมีคนดีกับคนชั่วไอ้คนกลางกลามันทีจริงมันไม่มีอ่ะมันมีเฉพาะคนดีคนชั่วดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยก็อยู่อยู่สองกลุ่มกันนี่เพราะเป็นกระแสของกุศล น, นะกุศลในที่นี้ที่ทรงรับสั่งว่าที่จริงเรียงเรียงยังไงก็ได้นะะเรียงจะเอาอะไรมาก่อนก็ได้เราพูดปเป็นเด็นแรกก็ได้วงฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก เราเป็นวิถีชีวิตของคนประเภทเที่ไม่ตั้งใจศึกษาสาเน็จเรียนรู้อะไรไม่ศึกษาไม่ค้นคว้ามไม่สแสวงหาความรู้แล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนสิ่งที่ศึกษาในทีน่นี้เนื่องจากเป็นการแสดงแก่ภิกษุก็ทรงใช้หลักที่เราเรียกว่านาวังประสตุศาสตร์ เรียกว่าสุตตะโดยยะวยากณาคาถาอุทานิติอุตตะกาชาตตะกาอุธรรมเวทันละก็สิบข้อนะฮะเก้าข้อพูดง่ายๆว่าคำสอนของพุทธเจ้าคำว่าเก้าข้อเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นวิธีการสอนเฉยๆแต่เนื้อหาสาระสาร ะ, าร ะ, าระของธรรมะแล้วมีอยู่ทุกกลุ่มทั้งเก้ากลุ่มเช่นว่าสุตตะ คือเป็นคำสอนที่เป็นพะสูตน์มีที่ไปที่มามีคนถามมีการเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีพระประสงค์กแสดงเป็นมงคลสูตรอะไรต่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือแนวของสุดตะขยะบางทีก่าวเป็นคาถาสั้นๆแล้ว อ, องความมหาศาลคาถาสั้นๆ น, นั้นจะองความไปไหม ข้อนี้จะเน้นที่ตัวพยัญชนะคือใช้ภาษาที่คลุมภาคปฏิบัติเอาไว้สันส้นๆการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การนําจิตให้ฟ่องแผ้วจบและศาสนาทางศาสนาเท่ า, าทนี้พอแล้วเพราะการไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยหมายความว่ากุศลสมบูรณ์กุศลสมบูรณ์ก็หมายความว่าจิตของแผ้วที่จริงมันจะยันกันเองไลยเวลาไปพูดอาจจะแยกพูด อย่า yeah, พูดไม่ทำบาปตัง้งปวงพูดกับคนคนหนึ่งผูดกับคนหนึ่งผููได้ทำกุศลสมบูรณ์ไม่ต้องพูดเรื่องบาปคนหนึ่งพูดได้ให้ทำจิตได้ผ่องแผ้วแต่ว่าผลที่คนสามคนปฏิบัติมันจะออกความเหมือนกันนั้นเป็นโบหารในการพูดใช้ข้อความธรรมะกระชับเนื้อหาในการปฏิบัติไม่ต้องพูดมาก เราจึงพบบางคำเป็นคำเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมะคำสอนบางครั้งเนี่ยเป็นคำเดียวแต่เด็กแต่มันมันจบแล้วศรัทธาคำเดียวปัญญาคำเดียวสติคำเดียวกิริโอตระปะคำเดียวเมตตาคำเดียวแต่พอปฏิบัติแล้วจะมีความสมบูรณ์เมตตาเป็นธรรมะคำจุนโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกกิริโอตระปะเป็นธรรมะ คุ้มครองโลกจบแล้วหมายความว่าถ้าทำให้สมบูรณ์เนี่ยศรัทธาคนจะข้ามโอ้าห่วงน้ำคือกิเลสได้เพราะศรัทธานั้นเป็นภาษาที่ใช้แค่คำเดียวนะฮะสอนคำเดียวรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปในภายนอกพูดง่ายๆทำยากนี่คือวิธีการสอนพระพุทธเจ้า เ่อนคาถาบางทีเราจะพบว่ามีบรรทัดเดียวนะฮะมีมีสองสามคำก็มีนะฮะมีบาทเดียวอะ่ะมีบาทเดียวของของคาถาก็มีแต่ว่าคนฟังแล้วบรรลุมรควุได้ที่สําคัญอย่างยิ่งคือคาถาบทนั้นมันอมข้อความไว้ทั้งหมดเช่นเราพูดถึงหัวใจพระพุทธศาสนาที่ทรงใช้คําว่าตามน้ำพวงเกิดแต่เหตุ พระธรรคุเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสัมเนธมีปกติสัต์แต่นี้มันหมดแล้วมันมีอะไรเหลือแล้วแต่คําอยู่มีแค่สองบรรทัดแต่นั้นเองสิ่งทั้งสิงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดานี่เป็นโสตบันนะนะเห็นได้อย่างนี้เป็นปโสตบันเราเรียกว่าขัดถาคือเป็นคําสั้นๆ อุทานเป็นคำที่ทรงเปล่งขึ้นเป็นข้อความสั้นๆนรังไม่ยาบเป็นการไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกถ้าเรานาไปสู่ภาคปฏิบัติได้โลกก็สันตินะไม่ต้องปิดอาวุธไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วเพราะปัญหาที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดโดยรวมก็คือมนุษย์มเบียดเบียนกันนะ เบียดเบียนกันประทุษร้ายกันไม่ได้หยุดไม่รู้จะว่ายังไงแม้ในวัดในวาก็ยังทะเลาะกันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอนะฮะการปฏิบัติสํารวงระว่างยิงอยู่ที่เราไม่ทะเลาะกับคนอื่นมืนอื่นทะเลาะกับเราเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันก็ปล่อยเขาทะเลาะไปแต่โลกมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือแนวอุทานอุทานสั้น เนื้อหาเนี่ยยนจะเห็นว่ามันก็คือเรื่องอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทั้งหมดตรงนี้เป็นการจำแนกแบ่งแยกออกไปคนจะจับตรงไหนก็ได้ไมาความมาศึกษาเรียนรู้เนี่ยเพราะาการศึกษาเรียนรู้มันเป็นอีกแนวหนึ่งพระศาสนานั้นสืบต่อมนด้วยการศึกษาที่ว่าสืบต่อมันด้วยปริยัติกับการปฏิบัติส่วนปฏิเวทมันเป็นผลเฉ เจาผู้เราจะต้องศึกษาอ่านจะต้องเรียนรู้นะฮะจะต้องเรียนรู้ในทางประสาทสัมผัสเพื่อสารต่อ ง, งานในการศึกษาในการนวัติในการเผยแพร่พลกุตาสตาในแนวการศึกษาก็ทรงยึดแนกไว้เป็นสามแนวในหนึ่งสรงใช้คำว่าอัลกัตถุปมปริยัตคือการเรียนรู้ที่เพื่อไปต่อสู้หักล้างทำลายการโต้อตอบการล้างพรางกัน ไม่รู้จะเรียนไปทำอะไรเรียนอะไเพิ่มบาปนะเรียนอะไเพิ่มบาปย้อนในสมัยก่อนเนี่ยเรจะพบว่าพระทิดา เ, เนี่ยเราอ่านหนังสือรุ่นก่อนเอ่ยพระธิดาและท่านทะเลาะ ก, กันแือท่านเอาชนะญาติโยมก็ถือหา ง, งทางในพระไม่มีหางให้ถือก็ถือหางเทศดสองธรรมะหัก็โยมก็อยู่คันละด้า น, นเชียร์พระให้ต่อสู้กันอโยมก็เชียร์อยู่ข้างหลัง แล้วก็เพิ่มบาปด้วยกันนะฮะไปเพิ่มบาปกันในโบสถ์ในวิหารนั่นก็เรียกเรียนเป็นอลัลกัตถุประมาปริยัติเตี๋ยการเรียนเหล่านี้บางทีมาขึ้นอยู่กับการใช้นะฮะเพราะว่าการโต้เฉียงการหักล้างกันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีในบางโอกาสอย่างพระนาคเษนถ้าไม่ปราบพระยามิลินศาสนาพุทธก็พัน พยาเมีลินท่าก็รว่ไม่ใช่เล่นนะนะะบอลโดกก็ต้องใช้ในการโต้อตอบถ้าจําเป็นจะต้องโต้อตอบจะต้องชี้แจงจะต้องอธิบายแต่อย่าทำไม่ได้วยความโกรธทำไม่ได้วยต้องการขาจัดความเห็นผิดของคนเหล่านั้นเพื่อปกปักรักษาศีลธรรมที่บริสุทธิ์เอาไว้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่โลกต่อไปแล้วก็ต้องการช่วยเหลือคนเหล่านั้นอย่าเก็ทําบาปมากเกินไปก็เท่านั้นเอง ในประการหนึ่งที่ท่านเรียกว่านิสชาปริยัตเป็นการศึกษาเพื่อหาหลักในการน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองกระจัดลดละกิเลสของตัวเองให้เจจางบาบางลงไปแต่ทำตัวเองให้ออกลุกเพิม่มจากทุกนิสชาก็คือออกจากทุกข์กันนะพูดถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่านิสชาวิมุติ คือจิตหลุดพ้นด้วยการออกไปจากอำนาจของกิเลสและออกไปจากอำนาจของความทุกข์เราเรียนเพื่อมุ่งสู่จุดตรงนั้นไปถึงได้ขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่ามีจุดมุ่งในการปฏิบัติขัดเราตัวเองไม่มุ่งไปที่จะโตเฉียงทำลายล้างอะไรกับใคร โตอตอบเราจะเห็นว่าการโต้อตอบพระเจ้า ก, ก็ตอบพระสารีบุตรก็ตอบพระโมคคัลลานะก็ตอบแต่ว่ากระทำด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ต่อคนเราเนี่ยเนื้อหนึ่งเรียกพันธาคาริกะปริยัติพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านเรียนนะท่านเรียนท่านท่องท่านศึกษาคนควายอย่างพระอุบาลีเห็นไหมจําทรงบริวนาไปทั้งหมดพระอานนท์ ตอนท่านเรียนท่านยังไม่เป็นพระ ห, รหรันเนอกแต่ท่านกงจำพระใจบิดกไว้ทั้งหมดพระมหากัตสะปะยังไม่ทั้งหมดท่านเป็นพระหรันพระมหากัตสะปะบวชแปดวันแล้วเป็นพระหันแล้วพระบาลีบวชบรรลุมรขผลหกเจ็ดวันแต่ก็บรรลุแล้วนะฮะพระอานุนนา น, านแต่หมายความว่าท่านก็เรียนทั้งสองอย่าง พระนุนนั้นเรียนทั้งสองอย่างเรียนเพื่อทําตัว น, นหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยแล้วก็เพื่อรักษาพระศ า, าสานาด้วยพระบาลีพระหมากรปะท่านก็เรียนเพื่อรักษาเพราะจริงๆท่านไม่ต้องปฏิบัติแล้วท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านเสร็จแล้วก็เรียกว่าเรียนแบบขุนคะลังนะเหมือนกระทรวงการคลังก็เกี่ยวข้องเงินทั้งหมดแต่ไม่ใช่จ่ายตัวเอ ง, งนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนันคือการศึกษา ส่วนรื้อชื่อประสูนยเรื่องื่องอะไรเป็นเวลายละเอียดเสยๆที่ว่าถึงนาวังกษัตริย์ศาสตร์หมายความว่าในการทํารงรักษานั้นจะต้องศึกษาทั้งหมดแต่ในภาคปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องของการศึกษาภาคปฏิบัติเหมือนกินยาก็กินยาไปแล้วกันแหละมาหายโรคเองภาคปฏิบัติจึงไม่มากนะฮะภาคปริยัตินั้นจัดมาก พระปฏิบัติที่จริงเราจับหลักเดียวนะเจริญเมตตาภาวนาอย่างที่มีอบาสุคนหนึ่งมาถามทางไปนิพพานกับพระอานุนพระนุนบอกให้บาสูบุบอกว่าสิบเอ็ดแต่มานับสิบสองลูกทีนับแล้วมันสิบสองลูกทีคือท่านท่านบอกให้ตั้งแต่รูปฌานสี่พรมิหารสีน่นะอรูปฌานสีน่สี่สามมาสิบสองหมายความว่าไปนิพพานได้ทั้งสิบสองฐาน เธอจะเริ่มตัวไหนก็ได้นะไปนิพพานได้ทั้งสิบสองฐหมายความว่าเราจะเจริญเมตตาก็ได้จเจริญเมตตาภาวนาอย่างเดียวแล้ะแล้วก็เมตตามันจะเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นไปโดยลำรับแล้วจะแสดงคุณสมบัติของตัวเองออกมาหมายความว่าทุกอย่างในต้นไม้นั้นเราใช้ประโยชน์ได้ ธรมะจึงมีลักษณะของแม่เหล็กที่แกจะดูดพวกตัวเองเข้ามากุศลธรรมก็เป็นศูนย์เขาอย่างนั้นเพราะในภาคปฏิบัติจึงจึงไม่จําเป็นจะต้องไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปรุ่งรังมากเกินไปไม่ต้องเป็นฟ่วงหรอกก็เกิดเองเขาละ่ะข้อสาคัญว่าให้เริ่มต้นที่กุศลธรรมก็แล้วกันต้องเป็นฟ่วงว่าองค์นั้นละ่ะองค์นี้ละองค์นนละ่ะบางบางทีนี่เราเอาพวกปฏิบัติไปปนกับปริยัติทาให้เกิดจุ้งยาก จากการสังเกตชาวบ้านส่วนใหญ่จะอธิบายธรรมะแบบนั้นนักวิชาการทั้งหลายนะจะว่าเป็นชุดๆเลยชุดสิบชุดห้าชุดแปดชุดเจ็ ด, 10, ด, 5, ด, 8, ด 7, ว่าไปหมดเลยมันไม่ต้องใส่ไปขนาดนั้นหรอกเขามาเขาเองแต่เราไปบอกจำนวนมากอย่างนั้นคนจะขยาดขยาดกำจ ำ, จำนวนของธรรมะเลยจะกลัวธรรมะไปหมดเลย นี่ก็คือคือแนวของการถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็คือฝนฟ้าก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกมัแห้งแล้งนะฮะฟ้าก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกมันก็แห้งแล้งอยู่ยากอยู่ลําบากประการต่อไปนั้นประเภทหนึ่งที่เรียกว่าฟ้าร้องฟ้าร้องจริงนะฮะมีการศึกษาเรียนรู้แตกฉานเราปลู้สารพัดอย่างเก่งทุกอย่างอ่ะ แต่ฝนไม่ตกคือตัวเองปฏิบัติไม่ได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้สอนอะไรคนอื่นได้สารพัดอธิบายปรัญานักปรญาบางคนเนี่ยดื่มเหล้าเสียหน้าแดงก่ำนะเขียนปรญาทั้งๆ น, นี่นะไม่มีศีลไม่มีธรรมตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่หน้ามีปัญหนาเราจะเห็นว่าวงวงการชาวพุทธเราที่ค่อนข้างมีปัญหามากนี่คือว่านักเผยแผ่ธรรมะมักจะขี้กโกรธ เรียกรรมฐานขี้โกรธสนโนดขี้ขอคือแสดงว่าฟ้ารองฝนไม่ตกคำรามลั่นไปหมดก็มีข้าวน่าจะตกแต่ไม่ตกไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพิติกรรมของตัวเองถามว่าผิดไหมมันอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งเราพุทธเจ้าทร ง, งแสดงว่ามีสุตตะน้อยไม่เข้าถึงสุตตะอันนี้ก็ ก, ก, ก็ก็ไม่รู้จะว่ายัางไง มาความมาเรียนรู้มาน้อยแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจอันหนึง่งเรียนรู้มาน้อยแต่เข้าถึงนะเขาก็ตําหนิในส่วนที่เรียนรู้น้อยแต่จะยกย่องในส่วนที่ปฏิบัติเห็นไหมมันก็แยกได้นอกจากว่าประเภทแรกที่ฟ้าก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกอันนี้ต้องตําหนิทั้งสองอย่างแตป่ประเภทนี้อย่างน้อยท่านก็เรียนไว้ท่านก็บอกกล่าวได้นะท่านก็เป็นขอนรองเหยียบไปคนอื่นไปได้เมื่อคนชี้บอกทางนะก็ไม่ได้ไปหรอก เขารู้ถนนหนุนทางก็ก็น่าชื่นชมเขานะฮะที่ที่ที่ช่วยบอกให้สะละตัวเองมายืนอยู่ป ะ, ปะทางบอกทางนั้นไปนั้นทางนี้ไปน น, นตัวเองไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเขาจะยกย่องในส่วนที่ท่านช่วยชี้บอกให้ส่วนท่านไม่ได้ไปก็เป็นเรื่องของท่านเองเป็นเรื่องของกรรมอันนี้คือฟ้าร้องน ะ, ะแต่ฝนไม่ตกหมายความว่าตัวเองศึกษารอบรู้แตกฉานเกง่งทุกเรื่อง สามารถอธิบายโต้ตอบชี้แจงธรรมะได้ดีแต่ว่าปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนเลิกบุหรี่ยังไม่ได้บางคนเลิกเหล้ายัางไม่ได้แต่อธิบายธรรมะได้ถึงปรมบมพูดไเราะมากนะฮะพูดไปรอบมากอธิบายได้ดีนะนี้ก็ยกย่องสรรเสริญในข้อที่ท่านพูดฟารองนะฮะไม่ตกก็เป็นเรื่องของท่านเอง ก็อยงน้อยก็ดีหนึ่งไงนะฮะ ด, ดีหนึ่งดีเดกจากคือได้ศึกษาเรียนรู้ได้รักษ า, าศาสนธรรมเอาไว้แล้วก็บอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นซึ่งก็เป็นรูปของการชี้บอกถนนนนทางให้ท่านไม่ได้ไปก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าสิ่งนี้ท่านชี้บอกนั้นคือความถูกต้อง เดินแม้ว่าในการศึกษาจริงๆเราไม่ค่ยติดใจในตัวในตัวผู้สอนเท่าไหร่เราติดใจในสิ่งที่เขาสอนมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะไปติดใจผลุงพาลังมากเราจึงไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องที่ควรจะได้ประโยชน์เราอ่านจโดกต่างๆเป็นมากเราจะพบว่าพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์เป็นนกกระจ่าเป็นช้างเป็นม้าเป็นนกยูงเป็นอะไรสารั เราก็พูดได้เทศได้สอนได้เราโอ๊ยสัตว์อะไรพูดได้เราไม่เชื่อจบอันนี้คือทางการทหลายตัวเองไม่ต้องสนใจว่าพูดได้ไม่ได้มันถามว่าพูดว่าอย่างไงนะฮะเราดูเขาพูดว่าอย่างไงตรงเนี้ยตรงนี้เขากล่าวสั่งสอนแนะนําไว้อย่างไงแล้วเป็นความถูกต้องหรือไม่เราก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้คาถานกคุ้มนะะที่เวลาขึ้นบ้านใหม่เนี่ย ก็จะมีสวดคาถานกคุ้มเป็นคาถากันไฟหมายความว่าต้องเรื่องใหม่นะพระจะสวดแล้วโยนจะสังเกตว่ามันมีบทสวดที่แปลกออกไปในพิธีกรรมเราอื่นในคาถานกคุ้มนั้นถ้าเรามองไปที่ไอ้นกคุ้มมันว่าคาถาได้ยังไงมันก็จบเลยนะฮะก็จบเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากตัวคาถาตรงนั้นแต่เราไม่สนใจนะฮะว่าจะพูดได้หรือไม่ได้แต่ว่าสิ่งเนี้ยว่าไว้ยังไง เราก็อ่านเราก็ได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของค่อนข้างหลังๆนะแต่ในส่วนที่เป็นขวัญกำลังใจทั้งในส่วนของหลักการปฏิบัติทั้งในส่วนของธรรมะพื่แสดงธรรมะไว้หลายระดับด้วยกันวันตรงนี้แม้คํารามแล้วจะไม่ตกกระตาบนะฮะแต่ก็เราก็ได้ประโยชน์จากการคําราม ประการต่อไปนั้นไม่คํารามหลวงพ่อไม่ร้องเลยแต่ก็ปวดตกได้หมายความว่าคนบางคนศึกษาเรียนรู้ไม่ค่อยแตกฉานอะไรเท่าไรหรอกไม่ค่อยแตกฉานอะไรเท่าไรแต่ท่านปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ดีเสียด้วยเราจะพบว่ามีพระบางรูปหนังสือก็อ่านไม่ออกเลย ใจศึกษาที่จริงพวกนี้พูดง่ายนะฮะถ้าเขาใช้ความเชื่อเลยจะง่ายมากเลยมันจะรวมเป็นสมาธิคือจะแตนที่จะรับที่ที่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่เดินอย่างนั้นไม่จะเดินปัญญาศีลสมาธิไม่เดินศีลสมาธิปัญญาแต่เดินสมาธิปัญญาศีลจะเดินสมาธิศีลปัญญาบอกก็นั่งนั่งภาวนามีเนนอง์หนึ่ง ไปตื่นเต้นกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สามารถเสกน้ำไม่เดือดได้อยากจะไปศึกษาแล้วนักกับอาจารย์เวลาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเอ้าเรีนต้องการจะเรียนนะราเรียนโอ้ยไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้เรียนเชื่อหรือเปล่ามีครอแม้ต้องเชื่อแล้วสั่งทำอะไรต้องทำตามเรียนก็ต้องลงเชื่อ ท่านก็นั่งภ า, าว น, นาขัดน้ํามาวางไว้ข้างหน้าให้เนนว่านโมตัสสัยเฉยมะนตัสัยเฉยว่าปยว่าอย่างงั้นห้ามลืมตาไม่ว่าเสียงอะไรก็จขึงนตาห้ามลืมตารวบรวมจิตให้เป็นสมาธิเด็กแล้วต่านแอบเปลี่ยนน้ําเอาไปต้มต้มน้ํำข้าวแล้วมาเปลี่ยนใหม่บอกให้เนลืมตาดูเนนเห็นน้ำเดือดมันเกิดพลังสมาธิ แกสงบดีที่จริงคือสมาธิแต่อย่าลืมากายวาจาตอนนั้นไม่ทําบาปอะไรกายวาจาไม่ทําบาปอะไรใช้ศรัทธาเป็นหลักแค่ศรัทธานำต่อมาเน้นเสกน้ําเดือดนี่ยเน้นเสียงน้ําเดือดนี่คือพลังของศรัทธาที่มันเพิ่มเป็นสมาธิเพิ่มเป็นศีลเพิ่มเป็นปัญญาแต่เริ่มที่ตัวศรัทธาก่อนเห็นไหมศรัทธานําไปสู่สมาธิสมาธินําไปสู่ศีลศีลนําไปสู่ปัญญา แล้วก็เกิดประสบความสำเร็จขึ้นแนวตรงนี้จึงมีเยอะแนวพระจุลปันทกก็คือแนวนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ยังที่เคยล่าให้ฟัง ว, ว่าท่องคาถาสี่บรรทัดทั้สี่เดือนนะั้ท่องไม่ได้ใด้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าจนพระพี่ชายจึงเป็นพระหันเนแน่ให้ศึกแน้สศึกไปั้งก็ไม่ยอมสึกจนถึงพี่ชายไล่ ก็เป็นวิธีการฝึกคนของพระอาหารหันต์นั่นนะครับปุจ้าสเสดดจไปผมมันไปจะสึกปุจ้าเสเดจไปขวางไว้ถามมันจะไปไหนถานบอกจะไปสึกถามมันทำไมต้องสึกอยากสึกเลมันบอกไม่ได้สึกแต่พี่ชายไล่ให้สึกปุจจารับสั่งถามว่าเธอบวชอุทิศเราหรือบวชอุทิศพี่ชาย อันก็บอกอุทิตพระพุทธพระพุทธแต่ใจพระเจ้าบอกเอาเรายังไม่ให้ศึกนะจะศึกเลยกระสั่งนําไปเลยก็ยื่นผ้าขาวแผนเดียวนะผืนเดียวเนี่ให้นั่งบริกรรมให้เราจะเห็นว่าถ้าไม่เรียนรู้อะไรก็บริกรรมผ้าขาเวลาแปรแล้วคาถาที่ภาวนานก็ไม่ได้ความอะไรด้วยเปลวผ้าเปื้อนฝุ่นไปโชว์นางอรโชว์นางเปลวผ้าเปื้อนฝุ่นท่านนั้นเองนะฮะนั่งภาวนาไปนั่งภาวนาบริกรรมนั่งกลาง กี่กองทรายหน้าประคันลกเดชเป็นกองทรายก็นั่งพอนาไปแดดออกอนัฮะพอนาในเช้ามืดอ่ะแดดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งก็ร้อนเงือแตกเงือแตกมือก็เปื่อนเน่ยเปื่อนเงือกพอนาไปก็ปรากฏพอลืมตาดูผ้ามันดำหมดอ่ะติดขี้ไกล เกิดพิจารณากายกตาสติพิจารณาสุภาพกรรมฐานเห็นร่างกายเป็นที่มาของธุลีสะสมแปดเปื้อนพิจารณาเจริญนิัพานานะเห็นอย่างนี้จะเป็นนิพพานาเจริญปัสนาบรรลุมคผลเป็นประหันก่อนก่อนถึงเชื่องวันเห็นได้สุตะนิดเดียวแล้วก็ความที่จริงมันไม่ได้ให้นายาเลยราชวรนังแปลวาภาพเปื้อนปุ่นภาพเปื้อนธุรีภาพเปื้อนธุรยนี่คือแนวที่เรียกว่าสุตะน้อยแต่ว่าใช้ความเชื่อเป็นหลัก ใช้ความเชื่อเป็นหลักพราะความเชื่อเนี่ศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็สเสพประโยชน์ใจก็น้องก็หาสมาธิเนอะก็หาสมาธิเนอะขาดสมาธิพอพอจิตรวมสมาธิเป็นตัวสร้างปัญญานะีฮะสมาธิเนี่ยมันสร้างสมาปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะเป็นปัญญาที่แหลมคมแล้วก็เจาะลึกลงไปเพราะว่าจริงๆไม่กิเลสสงบสมาธิการในจิตมีสมาธิกิเลสก็สงบปัญญาที่เกิดขึ้น มันก็มีมีความเหลื่อมขมที่จะมองเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงแนวสุตะแนวการศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ต้องคํารามอะไรก็ได้นะไม่ต้องคํารามาฟ้าไม่ต้องคํารามเป้าฝนก็ตกได้ความว่าท่านจะเรียนรู้อะไรไม่มากแต่ว่าท่านปฏิบัติได้ลองสังเกตว่าแนวนี้จาก าการคิดครบดีท่านท่า น, าน่านจะไม่มากอย่างที่เคยเล่าเรื่องท่านอูกาวีพระพมา่าเมื่อพศสองพน่ร้อเก้าสิบเจ็ดที่ท่านที่ท่านที่ท่า น, านมอณภาพแล้วลือลั่นลหลงเมืองเมืองไทยวิทยุโท ร, รเอขหนังสือพิมพ์ประกาศข่าวใหญ่อสศบวา ง, วงเฉยๆสิบสี่วันในนอนคนธรรมดานะสวันเนี่ยวางหนังสือหนังสือทำจากสุกามาลง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคนไม่รู้หนังสือแต่เชื่อพระพระให้นั่งภาวนานี่แหละภาวนาพุทโธนี่แหละภาวนาอะนาปานสติใช้อนาปานสติเกิดความรอบรู้แตกสารในธรรมะสามารถอธิบายประจบิดกได้หยดย้อยนะฮะแต่เรียกชื่อผิดแต่นั้นเองเรียกเรียกชื่อธรรมะบางข้อเรียกไม่ถูกเพราะ ธรรมะนั้นเป็นศัพท์ที่เรียกเส้นสติเมตตากรุณาอะไรเป็นเรียกบัญญัติเอาหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ก่อนไม่มีคนตั้งชื่อนะคล้ายๆกับพวกผู้หลังเนี่เจอดาวเจออะไรต่ออะไร๋ต่ก็ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่ออย่างนั้นเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงมันไม่มีชื่อไม่มีชื่อจะเรียกเป็นภาษาอะไรก็ได้ใครเรียกแล้วก็อธิบายว่าหมายความมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ชื่ออย่างเงี้ยสมมุติเอา มันก็ทรงไตรรงก็สมมุติว่าไตรรงสมมุติเอานะฮะไตรรงก็เป็นเป็นภาษาที่สมมุติเอานั้นเกิดจากการเรียนรู้มาน้อยแต่ว่าท่านปฏิบัติได้ทีนแนวของการปฏิบัติแม้เราจะเรียนไม่มากจะรอบรู้อะไรไม่มากลองดูว่าคนบางคนชาวบ้านชาวบ้านนะฮนะชาวบ้านชาวบ้าน ทท่านมีหลักอะไรของท่านสักอย่างหลักเมตตาหลักเสียสละหลักการุณาหลักมีน้ำใจหลักไม่เห็นแก่ตัวไม่ริสหยาใครอะไรแต่อะไรเนี่ยฮะจะมีสักอย่างอย่างเนี่ยเป็นหลักของท่านเนี่ยมันจะคลุมได้ทั้งหมดมันจะคลุมได้ทั้งหมดเมื่อวานในอบรมเด็ก เ, เรียนสติวิทยาปิดปิดคออบรมบริหารจิตที่เราทมาตั้งแต่เดือนมิถุนาขอเด็กอย่างเดียวคือ กตันอยู่คาเดียวใช้คําเดียวหรือสรุปให้เหลือกาตันอยู่คาเดียวแล้วเราจะเห็นว่าการบนแบบของเราวิถีชีวิตของเราเป็นจะปล่อยกันมันเองเลยดินน้ําลงไฟอากาศทั้งหมดเนี้เป็นบุปการีของเราทั้งหมดการทําลายสภาพแวดล้อมเป็นอากาศันญยูเพราะจริงๆเขาหล่อเลี้ยงชีวิตเรามาเขาดูแลเราทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกเขายิ่งเขาย้อนไปเราก็แย่อากาศน้อยไปเราก็แย่ หนาวไปเราก็แย่ร้อนไปเราก็แย่ฝนตกน้ําหลากอะไรแต่ไรเนี่ยดินถล่มเนี่ยเราเราแย่ทั้งนั้นเลยดินน้ําลงอยเป็นชีวิตแล้วเป็นผู้รักษาชีวิตเป็นเป็นตัวชีวิตเป็นเครืรักษาชีวิตเป็นตัวขจัดอุปสรรคอันตรายต่างๆให้เราสํานึกมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตันอยูไปเรื่อยๆนะเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีบุปการีแต่นั้นเลยข้าวที่เรากินแต่ละเม็ดมันก็มีบุปการี ถนนที่เราจะเดินอะไรที่เราทุกๆอย่างเนี่ยสํานึกกตัญญูคําเดียวเราก็ไปได้ละนั่นคือธรรมะแนวที่เรียกว่ารู้เป็นละละอักษรไม่ได้มากอะไรเท่าไรดอกแต่ว่าสามารถปฏิบัติได้ทํานองฟ้าไม่คํารามก็จริงแต่ว่าฝนมันตกการพูดฝนเราจะเห็นว่าฝนนั้นให้ความเยิ่มเย็นให้ความเยือกเย็นให้ความสะอาด ให้ความสบายแต่เมื่อคืนฝนต ก, กวันนยอมลถลงไปฝน ต, ตกมากไปห น, น่อยยังไงไปสรุปว่ามองฝนในแง่ที่ให้ความเย็นข้าจับความร้อนให้ความเย็นแล้วก็ให้ความสะอาดธรรมะในอุปมาฝนจะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความฝนตกก็คือธรรมะที่ตก วันก่อนนี่อ่านซื้อพินยสยามรฐติเขาตีความหมายกับว่าน้ำไหลไฟดับคมยังไม่เคยได้ยินในตือว่าคมมากอ่ะพูดถึงถึงอารมณ์พูดถึงกิเลสไฟคือไฟราคะโทสะโมหะเก่งนะฮะแต่ว่าจริงหรือไ ม, ม่จริงไม่ทราบนะแต่สรุปสรุบคิดเก่งแกบอกว่าเช่นคนหนึ่งกโกรธคนหนึ่งร้องไห้เนี่ยนะะ น้ำตามันไหลไฟโทรศัพก็ก็ดับคนหนึ่งงมงายได้เหตุผลรื้อรันแล้วก็ได้น้ำเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กล่าวแนะนำสั่งสอนแล้วก็ดับท่านอธิบายกำว่นาน้าไหลไฟดับก็ก็ก็ถือว่าคมเลยนะคิดออกมาเป็นรูปธรรมส่วนว่าท่านจะคิดเองหรือท่านจะได้มาจากไหนก็ก็ไม่ทราบกันแต่ก็เราก็ถือได้ว่าเป็นเป็นความคิดที่ จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าธรรมะมองในแง่ฝนก็คือเมือนกันน้ามันมีลักษณะให้ความชุ่มชำํำให้ความเยือกเย็นให้ความสะอาดเพราะธรรมะน้ำมีลักษณะชำระลา้างขจัดสิ่งโสกปรกแล้วก็รักษาความสะอาดในขณะเดียวกันก็ให้ความร่มเย็น ธรรมะปฏิบัติที่เราจับให้ได้สักข้อเดียวก็ได้นะฮะข้อใดก็ได้เนะี่ยมันจะเป็นฐานดึงตรงอื่นอย่างการนิการการแสดงธรรมะแสดงในแนวของเหตุปัจจัยจะเห็นว่าแนวของพรมิหารสีนีแสดงแนวเหตุปัจจัยมายความว่าถ้าเรามีเมตตาต่อคนได้ เวลาเขาเดือดร้อนเราจะเกิดการุณาได้เวลาเขาหายเดือดร้อนเราจะเกิดมุติตาได้เวลาเขาอยู่ดีมีสุขเป็นปกติเราอุเบกขาหรือก็ประสบผลกรรมของเขาเราอุเบกขานะอุเบกขานจะเกิดสองทางนะฮะทางหนึ่งคือเขาอยู่ปกติคล้ายๆกับพ่อแม่ที่ลูกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วสบายแล้วพ่อแม่ก็วางใจ ถ้าวัดฟังธรรมำจำศีลไม่ต้องสนใจลูกอะไรก็ได้วางใจนั้นคือแนวอุเบกขาเพราะมั่นใจว่าลูกจะไม่เดือดร้อนอุเบกขาแนวหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากมันเป็นผลกรรมไม่ดีที่เขาทำเอาไว้เราก็ไม่อยู่ในวิสัยจะช่วยเหลือป้องกันหรือขจัดปัจจัยอะไรได้เราก็ทำใจเป็นกลางก็มองในแง่กระบวนการของกรรมที่เราสวดแผ่เมตตา ก, กันร ก, รกรรมสกมลมีกําราจะโดนที่สวดเนะครับ มันก็จะมีอยู่สองกระแสตรวเดียวตอนนั น, นธรรมะปฏิบัติเราจะเห็นว่ า, วาจับจับที่เมตตาพอจับที่เมตตาได้เนี่ยโลกทั้งปวงนี่มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเห็นไหมศีลมันไปเองศีลไปเองโดยพื้นฐานจิตที่กรอบโดยเมตตาการละเมิดศีลนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เองโดยสภาพจิตสภาพจิตมันมันถูกยกสูงขึ้นพอยก สูงขึ้นมาก็ไม่ไม่ไปประพฤติกระทาไปตามอำนาจของกิเลสจิตเมตตาเรามองคนด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีเราก็ไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตของเขาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉยๆนะกวนขวายช่วยเหลือทางกายด้วยปกป้องดูแลคุ้มครองด้วยแนวกัลยาณมิตรใจนะมิตรที่จริงก็คือเมตตาพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยคือคนที่อยู่ร่วมกันโดยเมตตา มิตรไมตรีเมตตาในคำเดียวกันความหมายเดียวกันมิตรเป็นภาคปฏิบัติที่ต่อเนื่องหมายความมีเมตตากันตลอดดูแลกันตลอดเพื่อเพื่ออาทรห่วงใยเอาใจใส่กันตลอดอะไรละ่ะมีความรักใคร่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้บอกแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอุปการะเห็นไหมเป็นความรู้สึกเมตตาทางนั้นเะลยเป็นความรู้สึกเมตตานั้นก็คือความเป็นมิตรหมายความมาภายในจิตเราเนี่ยมีไมตรี ree, ต่อกัน เป็นคำเดียวกันไมตรีเป็นภาษาสันสกิตนั่นเองนะฮะมิตรกับเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทั้งเป็นทั้งบาลีทั้งสันสกฤตเมตาก็เหมือนกันเมตตาถ้าแปลเป็นสันสกฤตแปลว่าไมตรีนะฮะเรียกว่าใช้คําว่าไมตรีนี้ก็คือก็คื อ, คอพื้นฐานความคิดแล้วต่อจากนั้นเราจะไม่ได้อยู่เฉพาะจุดในการงดเว้นละมันมันไม่เข้าจุดในธรรมะเป็นรูปของการอภิบาลดูแลใจใส่ รักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทป้องกันเพื่อนผู้ประมาทนะเอื้ออนห่วงใจเพื่อนเจ็บคขาได้ป่วยก็ไปดูแลใจใส่มันก็หมดอ่ะหรือไปกันแถวแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเพื่อนแทนที่เราจะไม่ล่วงละเมิดเฉยๆมันไม่ใช่ไม่ร่วงเราให้ด้วยนะ <S <S เห็นไหมเราให้เขาให้ด้วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แบ่งปันกินแบ่งกันใช้นะบางทีเพื่อนมีปัญหามากๆเราถึงอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินผู้ช่วยเพื่อนนั่นคือความรู้สึก ที่เมตตามันเกิดเป็นการุณารงขึ้นมาด้วยพราะเพื่อนลงมีปัญหาตอนลงอธินาานมันก็ไปเองไม่ต้องไปนับมันนะนะอธินาทานเราต้องนับกาเมตสุมิชาชัจะเหมือนกันนะจะไม่ล่วงละเมิดจะดูแลอภิบาลเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นครอบเป็นครัวจะดูแลป้องกันอันตรายให้แก่กันบาจานั้นจะแสดงเห็นในความจริงใจ แล้วก็ส่งเสริมแก้ปัญหาต่างๆให้เอ็นเพื่อนทะเลาะวิวาทกันก็ช่วยแก้ไขให้ช่วยประสานให้เพื่อปกป้องเพื่อนไม่ใประสบภัยนตรยมันก็ไปกับมันเองนั่นคือธรรมะในลักษณะที่ที่จริงเรียนไม่ต้องมากแต่อย่าลืมว่าท่านทำประโยชน์ตัวเองนะมันก็ถูกติในแง่ที่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือก็กรุณา ค, คนี ตกลงว่าสามทั้งสามกลุ่มที่ว่านั้นจะมีจุดหดึ่งที่ถูกติกลุ่มแรกนั้นถูกติทั้งสองอย่างคือรู้ก็น้อยปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติถูกติทั้งสองอย่างกลุ่มที่สองนั้นจะถูกติเฉพาะในกรณีที่ไม่ปฏิบัติรู้อะไรเข้าใจอะไรไมาแยะแต่ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติก็ถูกติในประเด็ดนนี้แต่ในความรู้ของท่านก็เป็นประโยชน์ก็คือคูนเก่งคนดี กลุ่มที่สามถูกติในกรณีที่ไม่ได้ทำประโยชน์แก่ใครแต่ว่าท่านเองก็ปฏิบัติก็สรุปว่ามองชีวิตที่เป็นอุดมการ์นะะมองชีวิตที่เป็นอุดมการ์ว่าชีวิตที่เป็นอุดมการ์จริงๆนั้นคือทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นนะอย่างที่ทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายของพระธรรมเทศนาที่ว่า เธอตั้งหลายจึงทำประโยชน์ตนในประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถอพระพุทธเจ้าเองทําประโยชน์พระองค์เองประโยชน์แก่บุคคลอื่นพระสงค์เองเป็นคณะบุคคลที่สร้างขึ้นมาอุบาสกปติกาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าตั้งหลายใจะจะเห็นว่าอุบาสกปติกาคุณสมบัติหประการนะครับมีศรัทธามีศีลเหนะ็นไหที่จริงตรงนี้ ท, ที่ตัวเองแล้วก็ไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็คุมตัวเองนะฮะ คุมตัวเองแก้ไขตัวเองไม่สแสวงหาเกียรติบุญนอกพุทธศ า, าสนาแสวงหาเกียรติบุญในพุทธศาสนานั้นคือทำประโยชน์แก่คนอื่นแต่ว่าขีดวงไว้ให้ได้ตรงตรงนี้ก่อนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่จริงๆไม่ได้หยุดเฉพาะตรงนี้นะฮะไม่ได้หยุดเฉพาะตรงนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องขยายออกไปเพียงแต่ว่าถ้าได้ขนาดนี้ก็ก็ดีแล้วเราสามารถทำประโยชน์ตัวเองประโยชน์บุคคลอื่นได้แล้ว พอดบางทีจะพุ่เฉพาะแค่ครอบครัวพระเจ้าทรงเห็นว่าคนพวกนี้เอาเอาขนาดครอบครอบครัวเขาอยู่ดีมีสุขภายใครอบครัวแล้พูดถึงเทพประบุกับเทพธิดาอยู่ครองเรือด น, นะพูดถึงคู่สามีพันยายไหมที่คู่สามีพันยายพูดเฉพาะที่บ้านอะไรล่ะยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์ที่นอันนี้ทะเลาะ ก, กันบ้านพังนะยักษ์อยู่ร่วมกับเทพธิดา เมียดีผัวไม่ดีเทพบุตรอยู่ร่วมกันยักษกินีผัวดีเมียไม่ดีเทพธิดาอยู่ร่วมกันเทพบุตรผัวดีผัวดีเมียดีลูกก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาน้อยน้อยเป็นสร้างสถาบันครอบครัวเอาเฉพาะตรงนี้ขีดวงเฉพาะตรงนี้ให้ได้ก่อนให้อยู่ดีมีสุขภายในครอบครัวทีนี้ถ้าสถาบันครอบครัวมีการพัฒนาอยู่ดีมีสุขได้มันก็ สังคม โ, โลกประเทศมันก็คือครอบครัวหลายๆครอบครัวมารวมกันเท่านั้นเองแต่และคนรับผิดชอบในกรอบของครอบครัวซึ่งความหมายความจริงมันก็พัฒนาไปจากตัวประ ช, ชกชนแต่ละคนแล้วก็พูดเรื่องเรื่องที่ถกกันไหมที่ถกนั้นคือแต่ละคนรับผิดชอบในตัวเองให้ได้ก่อนแล้วรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองอธิฐานนะไม่ใช่คารวะจะทำคารวะจะทำนั้นรับผิดชอบในตัวเองพอมาถึงที่ถกรับผิดชอบ คนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองภายในครอบครัวภายในแวดบงไปรูปที่ถกกระจายไปทีเดย que. ตรงนี้เป็นการพูดในลักษณะกระจายนะส่วนกระจายได้ขนาดไหน ก, ก็แล้วแต่สถานะคำท่านเราจุดปุ่งหมายจริงๆก็คือต้องเป็นทั้งฟ้าคำรามแล้วก็ฝนตก มันเป็นการสัญญาณที่จะบอกกล่าวสถานะของบุคลคลผู้นั้นเพราะอย่าลืมว่าเราพูดถึงวินยูชนไว้ไอ้คนรู้ดีรู้ชอบรู้ถูกท่านสามารถบอกกล่าวชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นแบบในการประพฤติปฏิบัติการในรงชีวิตได้คนก็ได้ประโยชน์จากท่านทั้งสองอย่างหมายความว่าในด้านความรู้ ก็ได้ความรู้ที่เป็นหลักจากแพทนในแนวการดารงชีวิตก็ได้เป็นแบบอย่างที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติได้มันก็ใกลๆกันที่เราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าเราเชืว่าบางอย่างเราศึกษาเพื่อจะเรียนเรียนปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราพูดถึงตรงนี้ก็ยังนึกมีคนก็ส่งเอกสารมาให้สามสามชุด ลงในหนังสือรู้สึกหนังสืออะไรหนังสือผู้หญิงชื่อดิฉันหรืออะไรเนะยก็มีคนเขาวิจารณ์พระพุทธเจ้าวิจารณ์เยอะนะมาเยอะเรียนๆเนี่ยนะมองในสายตาของของแพทย์แผนปัจจุบันแต่ก็น่าสงสารที่ว่านังสือซึ่งอ้างอนะ่ะเป็นหนังสือใครเขียนก็ไม่รู้ตรงนั้นเลยมันไม่ได้อ้างตัวพระเจ้าอินทร์มันอ้างตัวหลัก อ้างมาแล้วก็พูดในทํานองโจมตีไม่ใช่พูดในทํานองยกย่องนะฮะที่น่าเสียใจก็คือว่าพ่อเขาเป็นมหาเก่าด้วยนะพ่อเขาเป็นนักปราดใจในเมืองไทยแล้วก็เป็นมหาเก่าแต่ลูกเขียนก็แขะกะนักะแนแหะกแหนระพทธเจ้าพูดมาโจมตีมาตั้งแต่นอนเลยว่าที่เรายกย่องมาเป็นโอรสกษัตริย์นั้นพูดเกินไปอย่างมากเราแค่ลูกเจ้าเมือง เก็เอาอนณาเขตบริเวณนะฮะบริเวณพื้นที่เนี่ยเป็นเกณฑ์นในการวินิจฉัยแกลืมไปวนะ่าว่ า, าที่จริงสิ่งที่แกอ้างมาก็ขัดแย้งกันเองนะคือเจ้าชายจิตตะเนี่ยมีสถานะศักดิ์ศรีระดับเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารเราจะเห็นว่าพอเจ้าพิมพิสารพอบอกออกบวชขอให้กลับมาแล้วแบ่งบ้านเมืองให้ครองคือแสดงว่าศักดิ์ศรีเท่ากัน พระเจ้าปเสนทุกุศลก็บอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์เราเป็นกษัตริย์ด้วยกันแกยอมรับพระเจ้าปรเสนทุกุศลเป็นกษัตริย์พระเจ้าปิมสานั่นเป็นกษัตริย์แต่ไม่ยอมรับเอาพระเจ้าเป็นกษัตริย์ทั้งทั้งที่สององค์นั้นท่านยอมรับท่านเชิญเป็นพระเจ้าแผ่นดินแบ่งเมืองครองในคนละชี่แบ่งแคว้นหนึ่งแคว้นเลยทาไม่ต้องการจะครองสักกะเนี่ยแกเอาดินแดนนะฮะเอาดินแดนแกแกลืมว่าบรูไนเล็กนิดเดียวนะ เป็นชีพประชุมของอาเซียนเห็นไหมวันก่อนเขาไม่นับที่ดินแดนนับความเป็นกษัตริย์ในประเทศบางบางอย่างเล็กนิดเดียวคูเวตเล็กนิดเดียวนะฮะสารัฐอาหรับเอมิเรตสนเล็กนิดเดียวก็เป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้นับดินแดนเนี่ยไม่ไม่ไม่นับขนาดของพื้นที่แต่เขานับชาติตระกูลก็นับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบระบบการปกครองอย่างนีก้ก็เออคนนี้ที่จริงเป็นนักเขียนหนังสือนะฮะน่าน่ า, น, าน่าจะ น่าจะทำประโยชนดด์ได้มากกว่านั้นนะพ่อก็เขียนเชิดชูศาสนาหนังสือเป็นร้อยๆเล่มนะฮะลูกมาเขียนทำลายราพระพุทธเจ้ามันก็แปลกดดินกัน็เรื่องนี้น่าเสียดายตรงนี้เราเราเห็นว่าความรบหรูฝนฝนตกของท่านหมายความว่าท่านเรียนมาถ้าเดียนมาท่านก็บอกกล่าวในแนวประเภทที่สองทีเรียกว่าความรองในฝนไม่ตก แต่ว่าท่านท่านท่านท่านคว้ารองด้วยทางฝนตกดยเพราะงะั้นสิ่งที่ท่านเรียนเนี่ยกลายก็กลายเป็นความถูกต้องดีงามที่ในส่วนตัวท่านก็คือท่านในหลักปฏิบัติในส่วนาศาสนาคือท่านสามารถสืบสารสิ่งดีงามของของของชาติบ้านเมืองไว้ได้เพราะอย่าลืมว่าสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกนั้นจะต้องมีการสืบสารเอาไว้เป็นคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเกิดตายไปแล้วก็สิ่งที่ท่าน ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านํานาแล้วมันมันไม่ได้ถ่ายทอดไว้คนรุ่นรุ่นหลังก็นับเนินกันใหม่นะอย่างที่นักปราชญายุโรปนะที่จริงยุโรปนะเขาพูดแล้วก็เป็นคิดด้วยเขาบอกที่จริงโลกเนี่ยมันควรจะเจริญมากก้าวหน้าใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยหลังพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันมันอะไรมันพร้อมมากแล้ว อะไรเพริ่มมากแล้วโดยเฉพาะวิทยาการก้าวหน้าต่างๆวิทยาการทางแพทย์วิธีาการกรยานพานาะการบินเนี่ยนะฮะการสร้างเครื่องบิ น, นมันก็สร้างได้แล้วสมัยพระพุทธเจ้านี่ที่จริงก่อนพระพุทธเจ้าแต่บินไม่ไกลแต่เองฮะบินไม่ไกลก็เรียกว่าก็หลายๆกิโลเหมือน ก, กันคือข้ามภูเขาได้แล้วอ่ะบินข้ามภูเขาได้แล้วเราแสดงว่า ม, มันควรจะไปได้ถึงนั้น เลยมันเกิดปัญหาว่าการสืบสารเนี่ย ม, มันสืบไม่ได้วิชาการแพทย์ก็หมอชีวโกมรารพัฒตายตายพร้อมกับหมอชีวโกมรารพัฒหมอชีวโกมรารพัฒผ่าสมองได้แล้วผ่าหัวใจได้แล้วสามารถรักษาโรคริษีดวงทายาทีเดียวหายแล้วปัจจุบนันโอ้ไม่รู้เข้าโรงพยาบาลกี่ครั้งกี่หัวเนี้ไม่หายนะฮะไมสมัยหมอชีวโกมรารพัฒน์เนี่ยเขาป้ายาทีเดียวหายแล้วมันไปไกลลิบเลยนะการแพทย์เนี่ไปสิลิบเลย แต่ว่าไม่มีการสืบต่อท่อาศาสนาเองเราจะพบว่าท่านเป็นห่วงเรื่องการสืบต่อพระสารีบุตรเองก็เป็นห่วงเรื่องการสืบต่อเพราะอะไรเพราะว่าพอสือบต่อพลาดเนี่ยศาสนาเชนศาสดาตัวเองนิพานเนี่ยนิรวันตายไปสามปีนะฮะลูกศิษย์ตีกันพังเลยทะเลาะแตกกันเป็นสองกลุ่มใหญ่ทุกวันยังแตกเป็นสองกลุ่ม แตกกันตั้ง่นัน่นนะั้งแต่รูปเทวทายาทยังไม่ไนิพพานแตกกันมาสองพันกว่าปีแล้วทุกวันก็แตกกันแล้วต่างคนต่างก็ว่าต่างคนต่างก็สอนพระสารีบุตรก็มารีบรี บ, ร, บ, ร, บรวบรวมธรรมะของพระเจ้าเอาไว้ทําให้ทันนะนะฮะทำให้ทันได้สูตรเดียวได้สังกิติสูตรสูตเดียวแล้ท่านก็นิพพานพระมหาคสปะซึ่งเป็นผู้เฒ่าอายุร่วมร้อยิบปีแล้วต้องออกจากถ้าเลยเนะี่ยเป็นห่วงเรื่องการสื่อสารพระศาสนา ว่าถ้าสอนกันผิดแล้วตายเลยนำคนฆ่ารูเข้าพรงกันหมดเพราะพระหมายคติบาต้องมาเป็นหลักให้เวลานั้นท่านก็เป็นผู้เท่าที่สุดในในในสังฆมณฑลหมายความว่าพระทั้งปวงในท่านท่านเป็นผู้เท่าที่สุดโดยพรรษานะฮะบวชนานบวชนานกับเพื่อนแต่ถ้าแก่ที่สุดเป็นพระภกุลละพระภคุละอายุท่านร้อยหกสิบปีแก่ที่สุดเลยนะฮะแก่ที่สุดแต่ท่านเพิ่งบวชมาอายุแปดสิบปีแล้ วันพันพัรษาก็คงไม่มากเท่าไหร่นี่คื อ, คอลักษณะของการศึกษาเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาสองแนวตรงที่ว่าเนี่ยศึกษาแนวหนึ่งก็คือเพื่อปฏิบัติระบตัวเองแนวสองก็คือเพื่อศึกษาเพื่อเพื่อสืบสารโดยการรักษาแล้วก็การเผยแผ่การรากษาธรรมะเอาหลักหลักธรรมเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็นำไปเผยแผ่บอกกล่าว แกบุคคลอื่นรักษาวไว้เราจะตายวันไหนก็กไม่รู้ก็พยายามที่จะเอาเอาสิ่งเหล่า น, นี้ออกมาให้ได้เผยแผ่ไว้กระจัดกระจายวางไว้ในที่ต่างๆอย่างแนวคิดปัจจุบันเนี่ยที่เรามองว่าศาสนาเราอาจจะเสื่อมไปในเมืองไทยแต่เราควรจะส่งคนไปเผยแผ่ศ า, าสนาไว้ในส่วนต่างๆของโลกปรอว่าศาสนาตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งยังอยู่สามารถที่จะติดต่อกันได้ การรักการรักษ า, าศาสนาของคนสมัยโบราณก็จะใช่ยอย่างนั้นมาความวางไว้หลายแห่งวางไว้หลายแหง่งพระไตรปิฎกคัดลอกไว้หลายสำนวนหลายชุดนะฮะไปเก็บไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นบางแห่งนี้เก็บถาวรไม่ให้ใครแตะเลยดูแลรักษาไม่ให้ถูกทําลายไปด้วยภัยธรรมาชาติโดยสัตว์ด้วยคนทั้งหลายเพื่อเพื่ออย่างน้อยรักษาตรง น, นี้จนถึงก็ลงสลักแกะสลักไว้นะแกะสลักไว้ บนแผ่นหินบนไรตะไรต่างๆเพื่อให้ธรรมะเหล่านี้ยังมีอยู่นั่นก็คือแนวของฝนคำรามนะฟ้าคำรามหมายความตัวเองได้ศึกษาแล้วก็ขนตกตัวเองก็ได้ปฏิบัติมันก็เป็นแนวของการสือสารเราจะเห็นว่าที่จริงสามแนวนี้ก็สื่อ ส, สารได้นะหนึ่งก็คือฟ้าคำรามแต่ฝนไม่ตกก็สืบสารในแนวคำราม หมายความว่าแนวการสอนอีกหนึ่งก็คือไม่ได้คํารามแต่ตกก็สืบสารในแนวปฏิบัติดูตัวเป็นเป็นแบบฉบับให้คนทั้งหลายถือตามปฏิบัติตามแต่แนวหลักจริงๆก็คือว่าฟ้าคํารามโดยทวกลตกด้วยคือมีทั้งตัวปริยัติทั้งตัวปฏิบัติหมายความไงหมายความว่าการดําเนินชีวิตของท่านเองก็เป็นแบบได้เป็นแบบในการปฏิบัติได้ เป็นแบบของความเมตตาของความเสียสละของความซื่อสัตย์ของความกตัญญูของความเพียรพยายามของความศรัทธาแด้ก็เป็นแบบเป็นธรรมะที่เคลื่อนที่เป็นแบบฉบับไปคนอื่นหรือตามปฏิบัติตามแล้วค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าได้หลักได้หลักที่มั น, มนเห็นเหตุเห็นผลในความเป็นตรงนั้นบราอย่างอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่เราไหวทุกต่อไปอีก ถึงอะไรเดือนตุลาเนี่ยสมเด็จย่าเนี่ยเอามาว่ามันน่าจะมองสมเด็จย่าในด้านปฏิบัติทาการดําเนินชีวิตของพระองค์มองในจุดนี้แล้วปฏิบัติตรงนี้ดีกว่าเอาเป็นแนวในการปฏิบัติแล้วก็ธรรมะเยรุเกิดนะฮะหลักในการปฏิบัติเยอะได้เกิดแล้วเป็นแบบจริงๆฮะเป็นแบบสำเร็จรูปทีที่จับได้ทุกจุดจุดไหนก็ได้นะจุดตั้งแต่เด็กๆก็ได้จุดตั้งแต่เด็กๆการการที่ ผู้ชนเพียงเจ็ดขับวประทับทราบซึ้งประทับพระไทยพอพอระไทยในโครงสองบทเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเอามาอ่านได้เป็นโครงนี้เข้าเข้าใจได้เด็กเจ็ดขับวเข้าใจโครงนี้ได้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เบาะนะฮะโครงพระราชินิบงราชการที่ห้าผูชนกำหนดคล้ายครึงกันอย่าย่อมเพศผิวพันแผกบ้างความรู้อัดเรียนทันกันหมดเว้นยกแต่ช่วดีกระด้านก่อนแก้รือไว ความรู้คู่เปรียบด้วยกำลังกายเคยสุจริตคือเกราะบางศาสตร์พร้องปัญญาประดุดดังอาวุธคุมสติตางโลภป้องอาจแกล้วกลางสนามไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นเกิดความประทับใจดื่มด่ำในโครงสองบทตั้งแต่เป็นเด็กอายุเจ็ดขวบอ่านป๊อปจดเอาไว้เลยและเราจะเห็นว่ามันมันมาเป็นหลักปฏิบัติโดยเฉพาะความรู้คู่เปรียบด้วยกำลังกายเขยเนี่ยชัดมาก ส่นบทบทแรกเป็นการแสดงถึงวิธีของกรรมแต่บทที่สองนั้นเป็นการแสดงถึงการศึกษาการปฏิบัติแล้วการได้รับผลของการปฏิบัติกลายเป็นเกราะที่คุ้มครองสุจริตคือเกราะบางศาสตร์ของวิถีชีวิตต้องดําเนินไปด้วยปัญญาและสติเห็นไหมฮะปัญญาประดุดดังอาวุธคุมสติต่างโลป้องอาจแก้วกลางสนาเพราะฉนั้นสติกับปัญญาสติกับสัมมาญาณจึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบ ก็ทั้งฟ้าทั้งรองทั้งทั้งทั้งตกเป็นแบบฟ้ารองผลตกนะครับนั่นก็คือคืออาศัยได้ทั้งตัวปริยัติอาศัยได้ทั้งภาคของการปฏิบัติซึ่งก็เป็นโครงสร้างหลักของชีวิตที่อุดมนะฮะโครงสร้างหลักของชีวิตที่อุดมก็คือมีอัตรประโยชน์คือทำประโยชน์แก่ตัวเองได้แล้วก็ปริตตาประโยชน์คือประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้ แต่ไงก็ตามนะคนเราอย่างน้อยที่สุดเตรียมได้สักอย่างยังไม่มีอะไรนะฮะเราอาจจะไม่รอบรู้อะไรไม่แตกฉานอะไรก็ปฏิบัติได้ด้วตัวเองเป็นการรับผิดชอบในตัวเองอย่างน้อยก็ทําตัวเองให้รอดปลอดภยัยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผลจากการปฏิบททัติทางหลายเกิดขึ้นจากบุคคลเหล่านั้นแต่ละคน น, ะนั้นเองพระพุทธเจ้าเ ป, าเป่ากระหมอมเอาไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้ า, าแค่สอนให้เท่านั้นเอง แต่ว่าการจะบรรลุผลสูงสุดในทางศาสนาก็อยู่ที่คนนั้นน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเองรู้ไม่รู้เท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่ว่าให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมมีกายวาจาเรียบร้อยมีจิตใจดีพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าให้จิตใจดีก็แล้วกันจิตใจดียังอื่ก็ดีตามไปนะฮะหรือถ้าถ้าย้อนกว่านั้นก็ศึกษาเรียนรู้เอาไว้แม้ตัวเองจะทําไม่ได้นะฮะอาจจะเป็น ขวดเล่าเคลื่อนที่อะไรก็ตามแต่ก็แสแดงในปรัญาในคุมคายเอาไว้นะไปเป็นคติธรรมไพร่เอาไว้อย่างแนวของสุนทรภู่ซึ่งสมัยที่ท่านยังดื่มเล่าอยู่เราจะเห็นว่าไม่คําอะไรคมๆอย่างเงี้ยก็เป็นคติธรรมที่ท่านอาจจะปฏิบัติไม่ได้นะในยุคสมัยนั้นแต่ว่าคนอื่นปฏิบัติมันก็ได้รับประโยชน์เป็นลักษณะของฟ้าคำรามแม้จะผลจะไม่ตกกระตานะแต่ว่าวิถีชีวิตที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าเป็นอุดมชีวิต ก็คือชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างที่เน้นย้ำเอาไ ว, ว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาหรือทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดเป็นลักษณะตัวตายแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณผลงานความดีทั้งหลายยังเป็นราวประดับโลกเอาไว้แล้วตัวเองก็เรียกว่ามีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจานวนประสาท บาลีมันก็ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเป็นรูปวิธีชีวิตของบัณฑิตเพราะแนวค้าคํารามผลตกจึงเป็นวิถีชีวิตของบัณฑิตจนถึงสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าพระพ ATER พระเจ้าพระหันทั้งหลาย สาบัตนี้ก็ขอยุติไว้ไนเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพปูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ